วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือนหปี48เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันพระก็รวมกันการที่จะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่รู้เรื่องต่างๆเหมือนกันนั่นถ้าไม่มีใครสอน คงจะเป็นใบอันนั้นแปลว่าสุดๆถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนก็รู้ได้ระดับหนึ่งรู้จักภาษารู้จักการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ถ้าว่าได้รับการอบรมศึกษาขึ้นไปอีกมีหลายขั้นตอนเพราะการศึกษา การอาศัยการได้ยินได้ฟังกว้างขวางมากแต่พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมก็ศึกษาเรื่องปฏิบัติธรรมอาศัยการได้ยินได้ฟังแนวทางที่จะปฏิบัติธรรมเราสสแสวงหาอาหารเข้าสู่ใจอันนี้เป็นเรื่องพิเศษกว่าเรื่องต่างๆ เพราะนั้นคนทั้งหลายที่มาศึกษาในเรื่องนี้ก็หาวาสุทวิสัยบ้างไม่จำเป็นบ้างสุดแท้แต่ใครจะตีความการสออแสหาเรื่องเลี้ยงชีพพวกเราเห็นเห็นกันอยู่เพราะนั้นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญ แต่พอมาถึงเรื่องอาหารของใจหรือฝึกใจหรืออบรมใจสิ่งเหล่านี้โดยมากจะไม่ค่อยมองเห็นแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งตรงกันข้ามกับโลกทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปเขาจะไม่มองเห็นจุดนี้ พระพุทธเจ้าท่านมองจุดนี้เป็นจุดใหญ่เรื่องนามธรรมเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่มากท่านก็อ้างเหตุผลของท่านเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายในเมื่อได้ฟังได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้พวกเราก็เกิดความเชื่อมั่น เกิดศรัทธาคือความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้รมแล้วก็นำพระธรรมคำสั่งสอนที่พุทธองค์ได้รู้แล้วเห็นแล้วนำมาสอนพวกเราพวกเรายอมรับในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่ามีเหตุผลสมบูรณ์ถูกต้องแต่ถ้าวันนำธรรมคาสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในเพื่อนมนุษย์ชาติมนุษย์ก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกทวนหน้ากันจะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันตลอดถึงสับปะสัตว์ส่วนทางด้านจิตใจที่ฝึกหัดเข้าไปอีก พระพุทธองค์ได้แนะนำสั่งสอนถึงแนวความคิดของจิตใจใจมีอะไรอยู่ที่ทำให้ป่งฟ้งซ่านออกนอกรูนอกทางทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอันนั้นพระพุทธองค์ว่ากิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ กิเลสมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจอยู่ที่ใจเหมือนเหมือนกับสนิมสนิมมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากเหล็กทําไมเหล็กจะมีสนิมแล้วจะทํำยังไงจะกําจัดยังไงจะทํายังไงจึงจะให้เหล็กอันนั้นเป็นสเตนเล็เหล็กไม่เกิดสนิม อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราจะทำยังไงจะไม่ให้ใจมีกิเลสอันนี้พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเอาไว้แล้วจะ ต, ต้องศึกษาในรายละเอียดเป็นขั้นตอนที่จะกำจัดสนิมออกจากใจกิเลสออกจากใจให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง เมื่อจิตใจไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องกดท่วงไม่มีเครื่องผักดันไม่มีเครื่องทําให้เศร้าหมองใจดวงนั้นก็มีแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนอกเหนือจากสิ่งที่มาผูกพันเกี่ยวข้องทั้งหมดจวดจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรธหลงกิเลสนั้น ทำให้พวกเราได้รับความทนทุกข์ทรมานนานับปักการที่เกิดมาอันดับแรกก็คือกิเลสพามาเกิดเชื้อพามาเกิดคือกิเลสตัวราคะตัวโทสะโทโมหะคือความหลงแต่โมหะนั้นเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกิเลสโมหะนั้นเหมือนถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดิน ส่วนกิเลสโทสะกับกิเลสราคะนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่งอกเงยขึ้นมาจากแผ่นดินโตโมหะตัวอวิชชานั้นเหมือนกับแผ่นดินเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก่อนที่จะโกรธก็มันหลงซะก่อนยังค่อยโกรธก่อนที่มันจะรักหลงซะก่อนมันจึงรัก ถ้าไม่หลงสัก่อนมันก็ไม่รักถ้าจะไม่หลงสัก่อนมันก็ไม่โกรธเพราะนั้นอวิชชาคือความหลงตัวนี้เป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นท่านจึงเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรุปธรรมท่านจึงพิจารณาถึงตัวอวิชชาปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวอวิชชาปัจจะสรงขาราเป็นปัจจัย ให้เกิดภพชาติชลามรณะโสกะปริเทวทุกโทมณสุ ป, ปายาตสุขแล้วก็คือตัวอวิชชาตัวหลงตัวนี้นะ่ะเป็นพื้นฐานเป็นบอ่อเกิดเป็นหลักใหญ่เป็นแผ่นดินให้ฟดฟดจะพืชเกิดเพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะกำร จ, จัดตัวนี้หลงได้อันนี้ก็คือมีหลักวิชา ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะศึกษาวิชาอตัวนี้หละต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจุดนี้ละคว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วสาวกโดยมากจะเดินไปไม่ได้ ต้องอาศัยการสรดับซะก่อนนวาสาวะกะเป็นผู้ได้สดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าเขียนแผนที่เอาไว้แต่ตามไม่จริงแผนที่ที่จะเกิดขึ้นมาได้ท่านต้องเป็นผู้รู้ก่อนไปเห็นจุดหมายปลายทางซะก่อนรู้เรื่องซะก่อน เหนกับเราเดินขึ้นไปบนหลังเขาที่ไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแตนี้พอเราเดินขึ้นไปบนหลังเขาหลังเขานั้นบริบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี้เมื่อมาจากหลังเดินมาจากหลังเขาเดินมาทางไหนอย่างไรผู้ที่ไปดูพระพุทธเจ้าท่านไปดูก่อนอันนี้เปรียบเทียบ เหมือนกับท่านภาวนาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจเข้าสู่พระนิพพานเมื่อจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสแล้วอุปาทิเสสนิพานเข้านิพพานยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าอุปาทิเสสนิพานอนุปาทิเสสนิพานเมื่อตายไปแล้วเข้าสู่นิพพานไม่มาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนั้นแบบ อนุปาที่เสสนิพานนิพานเมื่อดับดับขันแล้วก็เข้าสู่นิพานไม่กลับมาอีกส่วนอุปาที่เสสนิพานนิพานยังมีชีวิตอยู่แต่จิตใจของพระองค์เข้าสู่พระนิพานพระหันเข้าสู่พระนิพานแต่ว่าร่างกายยังเป็นอย่างพวกเราเห็นท่านทั้งหลายยังมีดินน้ำลมไฟอยู่อันนี้ว่า พระหานก็ยังมีธาตุสี่เหมือนกับสามัญชนทั่วๆไปแต่ใจของพระองค์ใจใจของพระหานั้นนอกเหนือจากจิตใจของปุตุชนเพราะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่ว่าเปรียบเทียบท่านก็เข้าสู่อุปาทิเสสนิพานธาตวิธีการดำเนินตั้งแต่บำเพ็ญแต่เบื้องต้น นั่งอยู่ที่โครนต้นโพนั่งสมาธิในคืนวันเดือนหกเพนจากนั้นก่อนจิตใจปฐมยามไ้ยาทัศนะเที่ยงคืนก็ได้จุตูปะปาตยานเมื่อสุดท้ายก็ได้อาสาวกขยะยานยานอย่างรู้ว่าพระ อ, องค์เข้าสู่นิพพานแล้วถึงพระนิพพานแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิด ส่วนาธาตุขานเนี่เป็นวิบากเป็นวิบากกรรมในอดีตที่นํามาเกิดพอทิ้งวิบากกรรมตัวนี้แล้วก็จบวิบากกรรมตัวนี้ก็ไปจบวิบากกรรมตัวนี้ร่างกายนี้นะหรือบุญกับบาป ค, ความดีความชั่วบุญกับบาปก็คือความดีบุญก็คือความดีความชั่วก็คือบาป เป็นเรือที่จะนำไปสู่แดนอมตะคือพนิพพานแต่พอไปถึงขึ้นฝั่งแล้วเรือก็ทิ้งไม่แบกเรือขึ้นไปด้วยบุญกับบาปไม่เอาเพราะนั้นท่านจึงว่าพระหันละบุญกับบาปไม่เอาอะไรทั้งหมดส่วนธาตุการร่างกายก็เป็นวิบากกรรมในอดีตชาติ ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่เอาอีกเหมือนกันทิ้งทั้งหมดมีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นความบริสุทธิ์นั้นเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะเอามาเปรียบเทียบกับว่าสุขยังไงทุกข์ยังไงละเอียดยังไงปาณีชยังไงเปรียบเทียบไม่ได้ในจุดนั้นนี่แหละเมื่อพระพุทธองค์เห็นเมื่อพระพุทธองค์เข้าสู่ น, นิพพานแต่พระองค์ยัง ชงมีชีวิตยอยู่พระพุทธองค์ก็เขียนแผนที่ให้พวกเราทั้งหลายเดินตามแผนที่ของพระพุทธองค์มีหลากหลายเหมือนกับท่านเป็นประมาจารย์สยามภูรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมวิถีชีวิตของทางโลกจะเดินด้วยวิธีอย่างไร ส่วนผู้ที่จะเดินทางธรรมตามขั้นตอนขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะเดินอย่างไรเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือแผนที่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนให้พวกเราเดินมีหลายระดับและพวกเราจะเดินในระดับไหนถ้าหากว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเดินไปไกลได้พวกเราก็เดินในระดับหนึ่ง แต่ถ้าว่าพวกเราจะเดินจนถึงข้ามภพข้ามชาติพวกเราก็ต้องเตรียมพร้อมอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราจะกวกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไปไม่ได้ยังมีเครื่องติดข้องอยู่เราก็เดินตามิดแผนที่ในระดับหนึ่งตามแนวแถวที่พระพุทธองค์ที่ท่านวางเอาไว้สําหรับครวัตญาตโยมท่านก็ให้เขียนไว้เพียงสินห้ามีทานศินภาวนา ให้สิถือสินห้าเป็นหลักเพียงมีสินห้าเท่านั้นก็ปิดอบายภูมิไม่ตกนรกมีแต่จะไปสู่สวรรค์มีแต่ความสุขเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่เมื่อลวงรับดับขันไปแล้วอันนี้คือแผนที่สำหรับครวาดญาติโยมหลังจากนั้นก็ให้มีการทานทานะคือการเสียสละคือการให ให้อภัยให้ทานถ้าคนไม่มีการให้ทานโลกทั้งโลกก็อยู่ด้วยการลำบากเพราะนั้นฐานะคือการให้การเสียสละอา น, นิสงแห่งการทําบุญทําทานจะเกิดในพบใดชาติใดก็จะเป็นผู้มีอันจะกินไม่ตกทุกข์ใดยากอา น, นิสงทานเกือ้อกูลหนุนอา น, นิสงสิน่าได้เกิดในพบภูมิใดถึงในปัจจุบันนี้ เรารักษาศีลห้าก็ไม่มีใครจะใส่เรื่องใส่ความเราว่าเราไปบ่นไปจีบไปขโมยไปทําไม่ดีไม่ร้ายเรื่องต่างๆศีลต้องคุ้มครองแต่ตาหว่าผู้รักษาศีลแล้วทําไมพระโอษสององค์เจ้าท่านรักษาศีลแล้วยังมีคดีมีเรื่องอันนั้นเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตใครจะหลีกลี่หนีไม่พ้นวิบากตัวนี้ อย่างพระโมคคราณะเป็นตัวอย่างถึงท่านจะบริสุทธิ์ด้วยสินขนาดไหนแต่วิบากกรรมแนอดีตท่านที่ท่านได้เคยทำมาแล้วผลที่สุดท่านก็ถูกฆ่าทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์นั่นแหละวิบากกรรมเขาบอกวิบากคือคือกรรมเก่าที่เลยที่พวกเราได้กระทำไว้แล้วมาให้ผลเพราะนั้นพวกเราจะรู้ได้อย่างไงว่าวิบากกรรมหรือกรรมปัจจุบัน พวกเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราะเครื่องมือของเราไม่เพียงพอที่จะแยกแยะในให้รู้ได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรมาจากไหนอย่างไรติดต่อกันมายาวนานสักเท่าไหร่วิบากกรรมตัวนี้ไม่มีใครที่จะรู้ได้นอกจากท่านผู้มีญาณทัศนะเป็นพระรหันหรือท่านผู้มีฌานมียานแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศถ้ยืนยัน ทำนายว่าวิบากกรรมตัวนี้ท่านทําอย่างนี้เขาทําอย่างนี้เพราะบาป ก, กรรมในอดีตชาติแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะรู้ได้ในการกระทําของตนเองพ้นนั้นกรรมวิบากกรรมตัวนี้ที่พวกเราได้รับถึงจะทํากรรมดีอยู่แต่ว่าผลชั่วกรรมชั่วนั้นมาตัดรอนเป็นบางครั้ง อันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ในชาตินี้เราเกิดมาเราก็ตรวจตราดูตนเองก็ได้เราทําแต่กรรมดีใช่ไหมก็คงจะไม่มีใครจะรับพูดอย่างนั้นหรือว่าพูดอย่างนั้นได้คือบางสิ่งบางครั้งเราก็ทํากรรมชั่วมีอยู่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ว่าจะหนักหนามากน้อยอยังไงแค่ไหนตัวของเราเองเป็นผู้รู้กว่าทุกๆ ท, ทุกคน เพราะการกระทำของเราเราเป็นผู้รู้เท่านั้นคนอื่นก็ถ้าเขาเห็นเขาก็รู้แต่ว่าตัวเองน่รู้มากกว่าเพื่อนทุกกว่าทุกคนอันนี้ก็คือกรรมคือการกระทำแต่เราทำดีทำไมกรรมชั่วจึงมาตัดทอนอันนี้ก็คือเรื่องศีลถ้าว่าเรารักษาศีลดีแล้วศีลก็จะคุ้มครองเราเกิดพบนาชาตินา ชีวิตของเราจะยืนยาวเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ถ้าเราฆ่าสัตว์เราก็ชีวิตของเราก็จะสั้นเพราะว่าเราไม่มีสิ่งถ้าเราลังแกสัตว์เกิดพบหน้าชาติหน้าเราก็มีพยาธิโรคาเบียดเบียนถ้าเราขโมยของเขาเรามีสมบัติขึ้นมาเขาก็มีแต่จะดเบียดบังคดโกงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เพราะอันนั้นเป็นกรรมในอดีตหรือกรรมในปัจจุบันขาดความรอบครอบกรรมในอดีตที่พวกเราได้ทำกับเขามามีลูกมีเมีย ม, มีสามีปัญญา ก, ก็เป็นผู้ว่ายากสอนยากเพราะว่าเราเคยทำให้กับเขามาในภพนิชาตินี้การจะพูดว่ากล่าวสั่งสอนก็ไม่เป็นที่เข้าใจกันอันนี้ก็คือสินไม่คุ้มครอง แต่ถ้าว่าสินคุ้มครองและมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพูดอะไรออกมาก็เข้า อ, อกเข้าใจกันรู้จักใจเขารู้จักใจเรารู้จักใจท่านรู้จักการอยู่ร่วมกันและกการพูดจาพาธีไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือพูดอะไรออกไปก็เป็นที่รับฟังเป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลายเพราะ สินของเรารักษาดีแล้วก็พูดจริงไหนก็ทำสิ่งนั้นพูดจริงไหนก็ให้เกิดประโยชน์มีแต่ชักชวนให้คนทำดีผู้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็ไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังก็ น, น่าเคารพน่านับถือน่าเรื่มใส่เกิดพบน้าชาติหน้ามีสติสมบูรณ์ความคิดความอ่าน ก็ดีเสียบแหลมการใขค่ควรพิจารณาอะไรใครปรึกษาเรื่องอะไรก็พูดได้เพราะอนิสงสินคุ้มครองเพราะนั้นพระพุทธองค์ก็เขียนแผนที่ให้สำหรับฆราวาสญาติโยมอันนี้คือทานสินแับสวนภาวนานั้นก็มีสำหรับให้พวกเรา ป, ปฏิบัติฝึกหัดทางจิตใจ ถ้าไม่พ้นทุกในปัจจุบันชาติก็พบหน้าชาติหน้าก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไม่บ้าเป็นบ้าใบเสียจิตผิดจากมนุษย์เพราะอันให้สงการภาวนาอันนี้คือแผนที่สำหรับคารวะญาติโยมส่วนแผนที่ของพระเข้ามาบวชแล้วควรจะรักษาศีลอย่างไร ศิน227ศี่สิบเจสินมภารศสินสนิบ ส, น 10, สินสนัมเารศสินห้าเหมือนกับสินครวัตทั่วๆไปปาณาอธินาการเมมุษาแต่ตัวสิลข้อที่สาอพรร ม, ม, มจาริยาคล้ายๆว่ามไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามถ้าจะรับประเคนสิ่งของหรือไม่ให้แตะต้องถ้าจะประเคนสิ่งของก็ให้มี สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยใส่บาทอย่างเนี้หรือเอาผ้ารับของอย่างนี้ยจะไม่ให้จับกับมือกับไม้อันนี้ก็คือสิลของสมเด็จอพรมจจริยาประพฤติดังพรหมนอกเหนือจากศินห้าไปแล้วเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เป็นผู้มักน้อยให้เป็นผู้สันโดษให้เป็นผู้รู้พอดีไม่โลภโลเลกับสิ่งต่างๆตัดกิเลส ราคาโทสะโมหะความรุ่มหลงมัวเมาของกิเลสอย่างวิการรับโภไม่ทานอาหารท่านตัดกิเลสทางลิ้นไม่ให้โลภโรเลเกี่ยวกับอาหารจนเกินไปถึงจะกินดิบกินดีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็ยังตามเราอยู่เพราะนั้นเราทานอาหารพอยังชีพให้เป็นไปก็เพียงพออันนี้พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ถ้าจะว่าไปได้เลคือ เป็นทุ่นดงขวัตเป็นเครื่องขัดกลาวกิเลส ข, ของสมณเณรของพระตัดในเรื่องอาหารนักจัีตัดในเรื่องฟังเสียงฟ้อนราขับร้องเสียงดนตรีต่างๆหรือตัวเองแสดงร้องราขับร้องหรือฟังผู้อื่นร้องราขับร้องตัดทางหูตัวมาลา มาลาคันธวิเลตัดทางจมูกตัดทางกลิ่นมห้ดมตกแต่งร่างกายด้วยของหอมอุดจาตัดกิเลสทางเครื่องสัมผัสที่นอนนุ่มจนติดในการนอนติดในการสัมผัสอันนี้เป็นว่าสินของสมณะน คือว่าสินสีบั้นปลายเนี่ยสินสาบั้นปลายหรือสินสีบั้นปลายเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสม่เห้ติดให้รู้เท่ารู้ทันว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงปัจจัยอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองอันนี้ท่านก็เขียนแผนที่สําหรับสัมมาณีที่เป็นเด็กอยู่ที่จะเขียนแผนที่ให้แก่พระ 227ข้ออันนี้ก็ยาวทีเดียวอันนี้คือแผนที่วินัยนิสิทินของพระพระผิดแล้วท่านก็ทำเมื่อมันผิดออกไปท่านก็กั้นรั้วเอาไว้ทีแรกก็กั้นรั้วยาวกั้นรัห่างหน่อยคืปาลราชสีเนี่ยรั้วสี่ล่าวางนะพอต่อมาอีกมันยังมีเล็ดลอดรงไป หาเราเข้าไปอีกเป็นสิบสามอสี่กับสิบสามแซมเข้าไปอีกไม่ให้กิเลสรอดออกไปได้อหรือว่าไม่ให้กิเลสเข้ามาทำลายธรรมพอต่อมาอีกกิเลสมันยังเข้ามาได้อยู่อนยตสองแซมเข้าไปอีก ต่อมานจาิจกีปาจิ3ีสามสิบเปิดเข้ามาอีกปาจิตีเก้าสิบสองให้ทีขึ้นอีกเสกียวัเจติภาเข้าอีกสรุปแล้วก็คือสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนเอาไว้เรียกว่าท่านบัญญัติเอาไว้เขียนแผนที่เอาไว้ให้พวกเราเดินให้พวกเราอยู่ในกรอบกรอบคือสิน ไม่ให้ออกนอกรูนอกทางนี่แหละจากนั้นก็เมื่อมีสินดีแล้วจิตไม่กระเพื่อมจิตไม่พุ่นวายจิตไม่สายแสจิตไม่วิตกกงังวลเพราะเราไม่ได้ทำความผิดออกนอกรูนอกทางแต่ี่ฝึกหัดให้จิตนิ่งให้จิตอยู่ให้จิตอยู่กับตัวเอง ก็เป็นไปได้ง่ายเพราะว่าใจของเราไม่ได้พิตกกังวลในเรื่องการกระทําหรือกายวาจาของเราที่ออกนอกลู่นอกทางเราไม่ได้ไปทําเรื่องทําราวให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดใครทั้งหมดอยู่ในกรอบเมื่อนั่งสมาธิจิตเจาะก็เข้าสู่ความสงบไร่ง่ายและนี้คือเรื่องของพระจากนั้นเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่ง เป็นพื้นฐานแล้วจิตไม่หิวโหวยจิตไม่ทุลักทุเลจิตไม่วันไหวจิตมั่นคงจากนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากผลการที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นตามความเป็นจริงชัดเจนไม่บกแฟบ แห่งลงจุดไหนกำหนดจุดไหนเห็นด้วยปัญญาพิจารณาดูร่างกายสังขารพิจารณาอาสุภะก็เป็นอสุภะจริงๆเห็นได้ชัดจริงๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราก็เห็นรู้ได้ว่าไม่ใช่จริงๆกระดูกก็เป็นกระดูกจริงๆอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเกสาโลมานขาทันตาตาโจภายในของเราตับไตลำไส้ตับปอด หัวใจจะพิจารณาดูจุดไหนเห็นได้ชัดเพราะว่าสมาธิของเราฝึกดีแล้วกําหนดดูจุดไหนเห็นได้ชัดด้วยปัญญาในเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นก็ใครเป็นคนเห็นทีนี้มันก็จะย้อนเข้ามาสู่ใจเพราะใจ มันส่งไปเห็นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพอส่งไปแล้วมันมันหลงตะกอนมันหลงกายเพราะนั้นจึงให้พิจารณาไม่ให้มันหลงให้รู้ตามความเป็นจริงตะกอนหน้านี้พวกเราใช้ร่างกายเห็นร่างกายตัวเองจนติดติดแนบนั่น ว่าร่างกายนีเป็นตัวตนของเราแต่บัดนี้เมื่อเราพิจารณาดูแล้วเรากำหนดดูแล้วเราเห็นแล้วว่ากายกับใจนั้นคนละอันกันร่างกายนี่เป็นรู ป, ปรธรรมแต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นเป็นตัวนึกคิดเป็นตัวรู้รู้เรื่องต่างๆแต่นักฟิทยาศาสตร์ทั้งหลาย เขาก็ว่านั่นคือสมองแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาแล้วที่ท่านวิเคราะห์ที่ท่านพิสูจน์ที่ท่านกําหนดดูแล้วอันนั้นคือใจสมองนั้นเป็นเครื่องมือของใจเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องใช้ของเรานะนะั่นแหะเราไปกดคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์มันก็จําดีเราก็ไปติดในคอมพิวเตอร์นั่นอีกแต่ตามไม่จริง คอมพิวเตอร์ตัวนั้นเป็นเครื่องมือของใจเป็นเครื่องใช้ของใจเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนั้นก็สั่งให้แขนกระดุกแขนกระดิกพูดออกมาคือสมองเป็นผู้สั่งเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกแตกในสมองมาเป็นอมัอมพฤกษอัมพาตไปหมดเครื่องมือพังไปหมดใช้ไม่ได้เพราะนั้นถึงจะมีใจดีขนาดไหนก็เถอะ ถ้าเครื่องมือมันเสียแล้วมันก็ไปไม่ได้เหมือนกับเราขับรถอย่างนั้นถ้ายางมันแตกมันจะไปได้ไหมถ้าลูกสูบมันติดไปได้ไหมเพราะในรถมันไม่เหมือนกับร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์ยิ่งละเอียดอ่อนกว่ารถหลายร้อยเท่าเพราะนั้นใจของเราเข้ามาอยู่ในร่างกายนี้ ใช้ร่างกายตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่กระดุกกระดิกได้จนถือว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนของเราอย่างสนิทใจว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นของเราแต่ตามไม่จริงร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราพราะพดะ เ, เจ้าท่านมองเห็นแล้วท่านพิจารณาเห็นแล้วท่านรู้เท่าทันแล้วว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องใช้ของใจอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกมันจะต้องทับสลาย มันจะต้องหนีออกแยกออกจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าร่างกายกับใจนั้นคนละอันกันเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราคำนี้เนะี่ยคือท่าเราแยกใจออกจากกายคือร่างกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจใจนะไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจ แต่ตัวของเราก็คือใจแต่ไปยึดคลองร่างกายเพราะนั้นเมื่อเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราใจก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายจากท่านก็ย้อนเข้มาหาตัวผู้รู้อีกตัวผู้รู้ตัวใจของเราคือนามธรรมตัวนี้ ถึงจะไม่ยึดกายก็จริงแต่มันมายึดใจอีกเลยมันมายึดใจมันดูใจมาดูใจมายึดใจมันถือว่าตัวเองเน่ยเป็นใหญ่ถือว่าตัวเองเนี่ยแน่ละทีนี้มันมาถึงจุดนี้ตัววิชาหรือว่าตัวกิเลสตัวนี้มันอยู่ในใจนะทีนี้บางทีสิ่งไหนที่มากระทบมันก็เศร้าหมอง สิ่งไหนที่มากระทบที่ดีใจก็ผ่องใสมันก็อยู่อย่างนี้ในใจของเรามีทั้งมีทั้งเศหมองมีทั้งผ่องใสมีทั้งสศหมองมีทั้งผ่องใสอยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าใจของเราหรือว่าเราไม่ได้ฝึกสติหรือไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกสติเราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นแต่ถ้าว่าสติของเราละเอียด สติของเราไม่เผลอพร้อมกับปัญญาเป็นผู้สังเกตสังสติทั้งปัญญาจับดูเราจะเห็นได้ว่าใจของเราเนี่ยมันออกจากลักษณะอย่างนี้มันมีอยู่สองเศ่้หมองผ่องใสอยู่อย่างนี้การีกรร์ชั่วอยู่ในอยู่ในใจของเรามันจากนั้นก็ปล่อยหมัดออกไปไปใช้กาย ปล่อยทางไหนปล่อยทางตาปล่อยทางหูอันนั้นคือทางทางเดินของใจจากนั้นก็กลับเข้ามาก็อยู่ในใจอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติพวกเราจะเห็นด้วยตนเองความละเอียดของใจตีนี้เราจะชำระตัวไหนเราจะทําลายตัวไหนประพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก่ดอนเนี่แหละต้องใช้ลูกระเบิดอรมาโน โยนเข้าไปจุดนั้นเลยโยนตรงที่ร่างกายตัวส้อมองตัวผองใสนั่นแหะมันอยู่ในนั้นตัวภพตัวชาติที่จะนำไปเกิดภพภูมิต่างๆภพน้อยภพใหญ่คือตัวเนี้ยตัวการใหญ่ทันยังวัดตัวสอมองก็ดีตัวผองใสก็ดีทั้งสองตัวเนี่ยเป็นอนัตตาทมอนัตตาและนั่นะที่จะทำลายภพชาติ ให้แตกกระจายออกไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการพิจารณาธรรมจุดนี้เป็นเรื่องที่สูงส่งมากคือเป็นเครื่องที่ตัดภพตัดชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดมันจุดนี้แหละจุดเนี่ยที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราท่านต่างๆตั้ ง, งอกตั้งใจนะถ้าไม่เอาจริงจุดนี้แหละแปลว่าเราก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารลุ่มลุมโดนดนอนเกิดเกิดตตายทุกทุกอยากอากอย่างพวกเร า, าท่านทั้งหลายเห็นนี่นหละบางทีก็ตีอกดีใจบางทีก็ร้องหุ่มร้องไห้บางทีออก็ออเป็นทุกคนนั่นคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพวกเราตัดตัวนี้ออกได้ซะมันออกไปจากสองเงื่อนอ น, อออนี่เองเน่ยเส้าหมองกระผองใสตังเนี่ยถ้าตัดตัวนี้ได้นั่นน่ะจะจบแต่ทํายังไง แต่สิ่งเหล่านั้นที่จะตัดได้นะมันต้องพร้อมด้วยบุญทั้งวาสนาบา ร, รมีเก่าด้วยนะเกี่ยวเนื่องกันแต่ถึงยังไงก็เถอะเราพยายามอย่างนี้แหละพิจารณาไต่เต้าขึ้นมาตั้งแต่การพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายเกสรลมาณขาทันตาตาจูจา่นักย้อนมาถึงใจ ผลที่สุดที่จะเอาชำระกันจริงๆนะต่อยกันจริงๆน็อกกันจริงๆเนะี่ะมันอยู่ที่ใจนะตัวนามธรรมเลยนะตนต่อเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าภาวนาถ้าไม่ถึงตัวใจแล้วแปลว่ายัางยังห่างอยู่ยังตีวงนอกอยู่งั้นถ้าจะเอาคุกในแล้วก็นเนี่ยต้องดูใจตาจ้องขเขม็งใส่กันเลยเอกิเลนจะจะน็อกเราหรือทำจะน็อกกิเลส นี่แหละต้องดูเข้ามาหาจุดนี้จุดนี้แหละที่เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติผู้ที่จะสะแสวงพ้นทุก์ในวัฏสงสารดังนั้นต่อนี้ไปก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาต่อ น, นี้ไปนั่งสมาธิเลยแล้วนะ